ครูบาอาจารย์พระเถระผู้ใหญ่ก็โร่งโรยไปเรื่อยๆมาถึงเราเราจะปฏิเสธเล่นแง่เล่นเหลี่มมันก็ไม่ดูจะไม่ถูกกี่ละเราก็ต้องรับภาระของพระพุทธศาสนาไปมีพอที่จะพูดได้แล้วก็พูดอบรมเทศเขาผู้ในมนต์คงจะเห็นว่าเมื่อเราไปพูด มีคนฟังมีคนชนใจฟังเกิดประโยชน์สำหรับกลุ่มของเขาที่เขาเห็นแล้วเออเป็นประโยชน์เขาจึงนิมนต์เขาไม่ใช่ว่าเขานิมนต์แต่ละครั้งไม่ใช่ว่าคิดสนุกขึ้นมานิมนต์ก็ไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนกันไม่ว่าท่านมาเราเราก็เหมือนกันก่อนที่จะนิมนต์ท่านมาเทศในวัดของเราเราก็ดูดูอีกแล้วว่าเมื่อเทศไปแล้วเป็นที่ยอมรับ คนส่วนมากเราจึงนิมนต์ท่านมาแต่ถ้านิมนต์ท่านมาเทศแล้วเทศเท่าไรก็ยิ่งเสียหายเราก็คงจะไม่ได้มนต์เหมือนกันอันนี้ก็ใจท่านใจเราเหมือนกันนั่นแหละแต่เมื่อท่านลงมติกันแล้วเราจะปฏิเสธเหมือนกับเราเล่นเลี่ยมมันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันนะอันนี้ก็เราก็รับไวพ้พิจารณาแต่เมื่อคราว จำเป็นมากก็าเอาจะวายย่ายยังไงมันถึงตาเราแล้วเด็แต่ก่อนกันกนกบครูบาอาจารย์รับภาระมาแต่พอมาถึงจวนตัวของเราละถึงตาของเราแล้วเราจะปฏิเสธพระมากมายไม่มีองค์ใดแสดงธรรมมันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันเพราะนั้นเราก็ต้องช่วยกันคิดเหมือนกัน พาภาระอันนี้เราจะให้พระเล็กพระน้อยเป็นผู้รับภาระก็ไม่ได้สรุปแล้วก็คือความเชื่อถือบรุญรมีไม่เพียงพอก็ต้องอาศัยพระที่มีอายุพัรษาที่มีอายุพัรษาที่เป็นองค์แสดงธรรมได้ท่านก็มีอุปสรรคหลายๆอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างสุขภาพไม่ดีบ้างท่านไม่เคยแสดงธรรมมาก่อนบ้างมีหลายๆอย่างอีกเหมือนกันไม่ใช่ว่า องที่จะแสดงธรรมหรือองค์ทีท่จะชี้แจงธรรมะให้แก่ปวงประชาฟังหาได้ยากในยุคปัจจุบันในหลวงพ่อมองไม่เห็นองค์อื่นสำหรับพระกรรมาฐา น, นมีองค์หลวงตานั่นนะที่ท่านได้เทศให้เป็นที่ยอมรับของปวงประชาทั่วนหน้าเหม น, ะนะกันน อ, อกจากนั้นมาแล้วก็มีบ้างแต่เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะไม่ทั่วไป จะทำยังไงได้ล่ะหลวงตาเราก็ยุค95ปีแล้วท่านจะมาเทศอย่างนี้ก็ไม่ไหวอีกเหมือนกันถ้าจะเทศงานเล็กงานน้อยอย่างท่านก็ไม่เอาอีกเหมือนกันท่านก็ไม่รับพวกเราก็ไม่ควรจะให้ท่านไปเทศอย่างนั้นอีกเหมือนกันใหญ่ๆอีกอย่างหนึ่งแต่ทุกวันให้ใหญ่ๆก็เถอะท่านก็ไม่ไหวอีกเหมือนกันอายุ90กว่าปีนี่แหละ สรุปแล้วก็คืองานของพระพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะมาถึงตาของเราเราจึงจะรู้จักว่ามันหนักมันหนักขนาดไหนว่างั้นเถะมันไม่ใช่งานเบาๆเหมือนกันนะเทศเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะเรามาเจอจุดนี้เราสมัครใจไหมเฮ้ยไม่เทศดีกว่าว่างั้นเถอแต่ขึ้นไปเทศนะมันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกัน ก่อนที่จะเอาเรื่องราวเหมือนกับอะไรมันชกไม่มีไม่มีคู่ต่อสู้ลักษณะอย่างนั้น่ะคือมันต่อสู้ก็ต่อสู้ในใจยกประเด็นขึ้นมาแล้วก็ตอบยกประเด็นขึ้นมาแล้วก็ตอบยกประเด็นขึ้นมาแล้วก็ตอบนะอย่างนั้นแหละคือคือเทศนี่นะไม่ใช่ว่าถามปัญหาเขาถามมาแล้วก็ตอบปัญหาเห็นอยู่นั่นก็ตอบเราผิดตอบถูกก็เป็นที่รู้กัน แต่เนี่ยถามปัญหาขึ้นมาในใจแล้วก็ตอบแล้วก็ชี้แจงไม่รู้ผู้ฟังยินดีฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วฟังเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกแล้วกับ ก, การฟังในการเทศน์นี่ยมันคนมีหลายระดับอีกระดับศีลหรือระดับสมาธิหรือระดับปัญญาถ้าเทศสูงเกินไปเขาก็ปูดอะไรไม่รู้เรื่องอ ถ้าพูดตมเกินไปพูดอะไรหลวงพ่ออินพูดตมเกินไปมันล้วนแล้วแต่มันนาน า, นาจิตตังนาน า, นานาทัศนะคนเป็นพันเป็นหมื่นมันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนการนาพอนักเทศท ร, รมกระถึกในหลักเข่าของพุทธศาสนาท ร, รมกระถึกทิพระที่เป็นนักเทศเป็นองค์แสดงธรรมสีแจงเหตุและผลในหลักของพุทธศาสนาท่านว่า ท่านยกเป็นประเด็นหลักของพระพุทธศาสนาอีกต่างหากนะปฏิหารสามนะอิทธิปฏิหารแสดงฤทธิ์ได้กาแสดงฤทธิ์ก็คือเหาะเหินเดินฟ้าแสดงอะไรให้คนที่ทําไม่ได้แสดงอยากจะทำอะไรอยากจะรู้อะไรอยากจะเห็นอะไรแสดงฤทธิ์ให้ดูอันนี้ว่าแสดงฤทธิ์ได้เรียกว่าอิทธิปฏิหาร อเทศนาปฏิหารดักใจทายใจพวกเรานั่งอยู่ด้วยกันใครคิดเรื่องอะไรก็บอกได้ทายใจได้ดักใจได้อันนี้ว่าอเทศฐาปฏิหารอนุสาสนีปฏิหารคือแสดงธรรมอ้างเหตุและผลให้ผู้ฟังเข้าใจว่าเรื่องอย่างนี้เป็นอย่างนี้ศีลห้ามีคุณค่ายอย่างนี้ ทานมีคุณค่าอย่างนี้ศีลมีคุณค่าอย่างนี้ภาวนามีคุณค่าอย่างนี้คนทำชั่วเป็นโทษอย่างนี้คนทำดีเป็นเป็นบุญเป็นคุณอย่างนี้ชี้แจงให้คู่คนทั้งหลายเข้าใจหลักเหตุและผลอันนี้เรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารพระพุทธเจ้าท่านยกจ่องว่าปฏิหารสามสามอย่างนี้ อนุาสาจรีปฏิหารเป็นเลิศไม่ใช่อิทธิปฏิหารนะตามไม่จริงถ้าพวกเราเลือกนะพวกเราก็คงจะเลือกอิทธิปฏิหารนะแสดงฤทธิม์มางนะั้นแหละแต่พระพุทธเจ้าเลือกนะว่าท่านเลือกว่าอนุสาสนีปฏิหารอันนี้เป็นประโยชน์เลิศกว่าอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจการพูดการแสดงอ้างเหตุและผลให้ผู้ฟังเข้าใจเมื่อผู้ฟังเข้าใจแล้วนําไปประพฤติปฏิบัติตาม เมื่อได้ยินได้ฟังนั้นเกิดประโยชน์นั่นแหละอันนี้ปฏิหารนี้มีประโยชน์มากอันนี้คือในหลักของพระพุทธศาสนาปฏิหาร3อิทธิปฏิหารแสดงฤทธิ์ได้อเทศนาปฏิหารดักใจทายใจของผู้อื่นได้อนุสาสนิปฏิหารแนะนำสั่งสอนข้ออัตธรรมให้ผู้ฟังเข้าใจได้ชัดเจนและประนำไปประพุทธปฏิบัติ ได้รับผลอันนี้ประเสริฐกว่านีอันที่หลังเนี่ประเสริฐกว่าดีกว่ากว่าปฏิหารสองข้อนั้นนี่แหละนี่หละธรรมของพุทธศาสนาเพราะนั้นผู้ที่จะชี้แจงแถลงเหตุและผลเนี่ยมันไม่ใช่กองง่ายเหมือนกันนะเฮ้มันก็ยากพอสมควรอยู่แต่พูดไปก็พูดไปก็พูดได้แต่หลวงพ่อไม่ใช่อนุศาสนีปฏิหารเพียงแต่ว่าจําเป็น พูดไว้ได้อย่างงั้นเ อ, อใครเข้าว่านักเทศจําเป็นออแสดงอนุสาสนีปฏิหารแบบจําเป็น เ, ออเพราะไม่มีครูบาอาจารย์พระเถระผู้ใหญ่ที่เหนือกว่าแล้วก็ผู้ที่น้อยกว่าก็ไม่มีองค์ที่จะขันอาสาวเออกระผมเทศแทนท่านอาจารย์ก็ได้นะถ้าเป็นอย่างนั้นได้แล้วก็เออดีดีดีดออีขอบคุณขอบคุณหลวงพ่อขย่าว่า ย, ยัางนั้นแต่นี่มันไม่มีที่จะเนี่ย มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมีแต่เขาผักลังหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินจะทำยังไงว่างั้นหลวงพออ่อเองอ้าขึ้นเวทีธนบาตรนีแสดงลวดลายแสดงห ม, มาดออกมาแล้วว่างั้นมีอะไรก็เอาพูดออกมาให้ศรัทธา ญ, ญาติโยมพี่น้องพุทธบริษัทให้ได้ยินได้ฟังแต่หลวงพ่อเองก็หลวงพ่อก็ ไม่ได้คิดอย่างอื่นเหมือนกันหลวงพออ่อวัดนี่นะชีวิตของหลวงพ่อนี่นะถ้าจะว่าไปแล้วก็ขี้อวดผู้ฟังอีกต่างหากางานเถะหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อบวชมาแต่อายุสิปีนะเป็นสมณี น, น่ะเป็นเนนจุดแปปีนะเป็นพระมาเท่าไหร่ปีศูนยนับรูก็แล้วกัน0ูย์แมาถึง51 5สบเปีแล้วเนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่นี่ที่ฝังตัวไว้ในพระพุทธศาสนาจะไม่มีความคิดเจเลยจะได้เหรอ ก็ต้องมีความคิดเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายที่ฟังฟังฟังตั้งใจฟังที่หลวงพ่อฝังตัวในพระพุทธศาสนาเนี่ยเจ้านานขนาดนี้มีความคิดเห็นยังไงจริงอยู่อย่างนี้อยู่ป่ารงพงไพ่ยอย่างนี้รักษาสินทานเข้ามือเดียวอย่างนี้นอนคนเดียวอย่างนี้แล้วมีความเห็นยังไงพวกท่านทั้งหลายฟังก็แล้วกันหลวงพ่อก็ว่ายอย่างนั้นนะ ว่า น, นจะว่าขี้อวดก็ใช่จะว่าความจริงก็ใช่มันไอขี้อวดเป็นอย่างนั้นจริงๆงริงจะทายังไงเพราะเป็นนักบวชก็ต้องเป็นอย่างนี้พระท่านพวกเขาเหล่านั้นเขาทําไม่ได้เป็นส่วนมากคนส่วนมากเขาทําไม่ได้อย่างเราแต่เราทําได้อย่างนี้เขาก็ต้องฟังด้วซีว่าทําไมบวชมาฝังตัวในรพรุทธศาสนามาตั้งแต่นมนานทําไมเนี่ยหลวงพ่อก็ได้ชี้แจงให้ฟัง คุณงามความดีเป็นอย่างนั้นนะบาปบุญคุณโทษเป็นอย่างนี้นะนรกสวรรค์เป็นอย่างนี้นะตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะพิสูจน์มาแล้วนะเอพิสูจน์ตามหลักธรรมคาสั่งสอนมาแล้วพระพุทธเจ้าฟันพาพิสูจน์มาแล้วพ่อแม่ครูบ า, าอาจารย์พาพิสูจน์มาแล้วหลวงพ่อเองกับว่าผู้หนึ่งเหมือนกันพิสูจน์มาแล้วเอมั่นใจแล้วว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงทําดีได้ดีทาชั่วกได้ชั่ว ในปัจจุบันนี้ก็เถอะถ้าใครอยากจะติดคุกก็มาอยากไปป้นไปจี้ไปคดไปโกงไปตีหัวเขาเขา้าเขาจับเข้าคุกได้นี่แหละปัจจุบันถ้าจะเอาขนาดไหนเอาโทษหนักขนาดไหนถ้าโทษเบาก็เอาโทษสินไหมก็มีโทษจำคุกเห้าหกเดือนก็มีสองสามเดือนก็มีหรือจะเอาโทษประหารก็ได้ถ้าโทษประหารก็เอาสิาขายยาป้ายาหมาเป็นหมื่นเป็นแสนเม็ด แล้วก็ฆ่าคู่ฆ่าโคนเข้าไปนั่นแหละโทษประหารได้ได้ง่ายๆอีกเหมือนกันเราจะเอาโทษขนาดไหนความชั่วความชั่วก็สร้างเอาได้ส่วนจะสร้างเอาความดีก็เอาสิสั่งสมคุณงามความดีเข้ารักษาศีลภาวนาช่วยชุมชนสังคมเป็นคนดีเฮ้ความดีนี่ถ้าจะว่าไปยากหน่อยกว่าจะตายเต้าขึ้นไปได้แต่สรุปแล้วกับมันก็ไม่ยาก คนดีทำดีได้ง่ายคนชั่วทำชั่วได้ง่ายถ้าเป็นคนชั่วมาจากสันดานแล้วทำชั่วได้ง่ายแต่ถ้าว่าเป็นคนดีแต่สันดานเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำดีได้ง่ายแต่ถ้าว่าไม่มีมันไม่มีนะสมมติว่ามันเป็นสันดานชั่วจะกลับมาทำดีนะทำยากเหมืนกันน่เหมือนเข็นคกขึ้นเขาคนดีก็เหมือนกันถ้าเป็นคนดีอยู่แล้วนิสัยดีอยู่แล้ว จะกลับมาทําความชัว่วโอ้ต้องได้คิดแล้วคิดอีกทําไม่ได้แบบนั้นเถอะเพราะเหตุใดเพราะตัวเองมันไม่มีนิสัยอย่างนั้นที่จะทํากรรมชั่วอย่างนั้นนั่นแหะในหลักของพระุทธศาสนาพระพุทธเจ้าว่าคนดีทําดีได้ง่ายทําชั่วยากแต่คนชัวช่วทําชั่วง่ายทําดียากนะนี่แหละอันนี้เราต้องการอะไรถ้าเราต้องการคุณงามความดีแล้วก็สั่งสมว่าสิศีลธรรมของพระพุทธเจ้า ถ้าทําปฏิบัติตามทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีแต่สูงส่งขึ้นเรื่อยๆรักษาศีลอย่างไงเมื่อให้ทานแล้วก็รักษาศีลทานก็คือการเสียสละถ้าคนไม่มีทานไม่มีการเสียสละให้เพื่อนให้ฝูงให้พี่ให้น้องให้วงศาคณาญาติคนนั้นไม่มีพี่น้องหรอกผูดได้เลยว่าไม่มีพี่น้องไม่มีพักมีพวกไม่มีเพื่อนมีฝูงอยู่แบบเป่าเปียวเดียวได้ ถ้ามองไปเขาก็ไม่อยากจะมองอีกต่างหากเพราะเหตุใดเพราะเราไม่มีน้าใจเราไม่มีเมตตาเราไม่มีท้านะไม่มีการเสียสละไม่มีการให้ทานให้ทานคำนี้หลายอย่างให้ให้ทานวิทยาทานให้ทานความรู้ธรรมทานให้ทานธรรมะอย่างหลวงพ่อแสดงธรรมนะให้ทานธรรมะนะธรรมทานวิทยาทานให้ความรู้แจกแบ่งให้เขา จากนั้นก็ให้ทานข้าวน้ําโภชนะอาหารเจตุ ป, ปัจจัยมีมากมายที่เราให้ทานสรุปหลักก็คือการเสียสละให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอันนี้คือทานะด้วยเจตุ ป, ปัจจัยขา้าวน้ําโภชนะอาหารเงินคำทรัพย์สมบัติแบ่งปันให้แก่คนที่ทุกข์ที่ด้อยกว่าเราคนหูหนวกตาบอดให้แก่ พวกหมูหมากาไก่ลิงข้างบางชนีด้วนแล้วต่เสียสละให้แกสัพพสัต ท, ทั้งหลายฐานะทั้งนั้นศีละก็คือรักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยไม่ให้มีโทษสิ่งไหนที่จะทำให้คนอื่นตดร้อนอย่าทำอย่างฆ่าเราก็หยุดฆ่าขาโมยเราก็หยุดขโมยประพฤติปิดในกามสามีภรรยาใครลูกหลานของใครเราเคารพสิทธิของเขา มุสาเราก็ไม่โกหกใครพูดตามความเป็นจริงสุราเราไม่ดื่มเหล้าให้ขาดสติอันนี้ศีลคุ้มครองกายวาจาของเราแล้วไปที่ไหนคนก็เชื่อถือยอมรับเข้าชุมชนสังคมใดเขาก็ยอมรับว่าคนคนนี้เข้ามากลุ่มของเราแล้วไม่ทําให้เสียหายอันนี้แปลว่าศีลคุ้มครองสมาธิและปัญญาอันนั้น เป็นแนวความคิดทางด้านจิตใจถ้าเราคิดผิดจิตใจของเราเป็นมิจฉาทิฐิคิดผิดผิดที่ผิดทางแต่เมื่อคิดผิดแล้วการกระทาก็ผิดการพูดก็ผิดอีกเหมือนกันเพราะนั้นต้องเอาสมาธิเข้ามาจับกันกรองไตรตรองเหตุและผลในแนวความคิดของตนเองในเมื่อคิดถูกแล้วเป็นสัมมาทิธฐิในการคิดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีไปด้วย่นั่นะ ธรรมะทำคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายขั้นตอนสรุปแล้วก็คือเข้ามาหาใจทั้งนั้นใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้ า, าถ้าพูดไปไม่ถึงใจไม่เอาใจออกมาพูดแล้วพูดแต่ยอดแต่กิ่งก้นานสาขานะคือไม่พูดไปไม่ถึงเง่าถึงโคลนของมันเง่าโคนของมันใ น, น, นต้นหลักต้นตอของมันคืออะไรก็คือใจ พระพุทธเจ้าท่านไปนค้นอยู่นี่เมื่อท่านออกไปบวชไปค้นอยู่หปีเนี่ยท่านไปนค้นที่ไหนเราพิจารณาดูแล้วค้นลงมหาใจมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าเพราะนั้นธรรมะทุกอย่างจนถึงขั้นสูงสุดจนถึงถอนลากถอนโคนกิเลสออกจากกิเลสราคะโทสะโมหันออกมาจากไหนออกมาจากใจถอน กิเลสลาคบโทสะโมหะออกจากใจใจบริสุทธินั่นแหละเป็นบรมสุขสุขอยู่ที่ไหนแท้สุขอยู่ที่ใจถ้ามันทุกข์ทอยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่ใจความชั่วยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจความดีอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจถ้าใจคิดดีมันก็ดีไปถ้าใจคิดชั่วมันก็ชั่วไปสรุปแล้วมันคือขู่ดูในใจนะเพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกมาจากใจนะ เพนั้นพวกเราศรัทธาญาติโยมทุกๆท่านนะให้พันธันจะให้มีสมาธิตรวจตราดูใจคนตนเองอยู่เสมอเหลี่ยวนี้เวลานี้เราคิดผิดแล้วเขาเราคิดถูกนขนาดนั่นแหล ะ, ะคืออันนี้คือหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ว, วันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดลากหลายการเป็นอยู่ของวัดวาศาสนาของพระพุทธศาสนาตลอดถึงเรื่องของหลวงพ่อเอง การเข้าสู่ชุมชนสังคมเข้าไปด้วยความสมัครใจหรือด้วยความเข้าไปแสดงทําด้วยความจำเป็นหลวงพ่อในใจของหลวงพ่อเทศด้วยความจาเป็นนะไม่ใช่อยากจะพูดแต่ในวัดในวารนะออธรรมดาไปมาหาสู่กันก็ต้องมีธรรมะทใไมมีอะไรพูดเฉลยก็ไม่ดีหลวงพ่อว่าอย่างนั้นแต่อย่างน้อยกับให้เป็นแนวความคิดแต่ละวีแต่ละวัน พอพูดตอนเช้าจบหลวงพ่อก็ไม่ได้มาพูดอีกพรุ่งนี้เช้าหลวงพ่อจะมาพูดอีกอย่างนี้อีกบางวันก็พูดได้น้อยบางบวันก็พูดได้มากแต่บางวันที่เอมีคู่คนมาเกี่ยวข้องสมควรที่จะพูดมากเออพูดมากในวันนั้นแต่บางวันก็เออเอาจบไม่มีอะไรก็จบปะนี่แหละอันนี้ทรายจะให้ไปพูดในที่สาธารณะคนเป็นพันเป็นหมื่นเออหลวงพ่อต้องคิดหนักแบบนั้นเถะ